พระธรรมเทศนาแผ่นที่99าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าสร้างเจดีเพื่อบูชาหลวงตาเคยพาธรรมวันนี้พวก เอ่อบอกเป็นภาษาอย่างนั้เบอกภาษากลางนะเว้ยเนะาะจังมีทางเทอยพี่พวกไท่กรุงเทพพิ น, นองทงั้งภาคกลางยี่มาแถวนี้การเทียบอกทั้งอีสานเท่าก่าจังใดหยกงานใหญ่งานโตกันขณะนีดด้เนาะหน้ายกเนาะวันนี้เป็นการทำบุญของเทศบาลตำบลบ้านตาด โครงการพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชสุกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชวันศุกร์ที่สิบสามมกราคมพุทธศักราช2560ณเทศบาลตาบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง ที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันทําบุญในเทศเทศบาลตำบลบ้านตาดแล้วก็เป็นการถวายลำลึกถึงถวายเป็นพระราชฎกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอของพวกเราที่ร่มโคร่มใจของพวกเราที่พระองค์ได้สวรรค์คาลัยไปเมื่อวันที่13ามตุล า, าก็ นับจากนั้นมาก็เกือบจะเป็นร้อยวันแล้วก็ม้งเนี่ยะหลวงพ่อก็ไม่ได้ติดตามทางข่าวนะนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่วันนี้หลวงพ่อเองอยากจะให้พระท่านอ่านเรื่องราวอะไรให้ฟังคณะทาญาิโยมได้ฟังคืออั น, อนเรื่องมาจากพญย่เทียมมันไปตู้เทียมได้ปรลบกับหลวงพ่อว่า ว่าสถ า, านีวิทยุเสียงธรรม เ, เพื่อประชาชนของหลวงตาสถ า, านีวัดวัวดสถ า, านีบ้านตาดของเราเยังไม่มีรถใช้บางทีมีการประชมุมระยะใกล้ระยะไกลก็ลำบาก เ, เป็นการได้หาเงินหาทุนของตนเองไปไประชุม ถ้าเป็นไปได้ขออยากขอให้หลวงพ่อหารถให้สักคันโดยเธอนะตูเทียมพูดนะก็เพราะว่าลูกชายของตูเทียมกับเคยนายเลี่ยมนะทํางานอยู่ที่สถานีวิทยุหนะลวงพ่อเออเข้าใจแต่หลวงพ่อก็ฟังฟังแต่ก็คงจะเป็นบุญของสถานีวิทยุอีกเหมือนกันนะนะเป็นบุญจะเป็นบุญกุศลของลูกหลานในสถานีพราะหลวงพ่อลงไปกรุงเทพ ก็อาจารย์เจริญที่เป็นโคศกประจําสวนแสงธรรมของพวกเราถ้าพวกเราลงไปนะ่าคงจะรู้นะเท่ เ, เป็นอาจารย์ท่านกเกษียณแล้วแต่นี่ยพอต่อมาทั้งวันมาทํางานเป็นโคศกอยู่ที่สวนแสงธรรมหลายปีแต่พอมาปีนี้ท่านก็ป่วยพ่อป่วยหลวงพ่อก็เลยถามเออเป็นอาจารย์โอ้ผมป่วยครับท่านอาจารย์เหมือนกัน เป็นอะไรแล้ววะผมเขาว่าไปตรวจดูเขาว่าเป็นตับเป็นตับแต่ผมก็ชลาใจไปทันวันนะเพราะว่าแม่ของผมก็เป็นมะเร็งตายก่อนหน้านี้แล้วก็พี่ชายของผมก็เป็นมะเร็งตายผมก็เป็นไปตรวจแล้วก็เป็นไวรัสบีผมก็เลยไปตรวจแล้วก็หมอก็ให้ยามาทานผมก็ซื้อยามาทานเองบ้าง แต่ผมก็ชะาใจไม่ได้ไปตรวจหมอแต่พอมาตรวจรู้สึกว่าอาการหนักขึ้นมาเนะี่ยจังหวะอาการหนักพอสมควรท้องอืดทานอาหารไม่ไดนะ้พอต่อมาก็มีคนมากระซิบกระซาบหลวงพอ่อโออาจารย์อาจารย์เจริญไี่เป็นมะเร็งขั้นที่สแล้วนะอาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อโอตายมะเร็งข่าวว่ามะเร็งขั้นที่4แล้วนะ่าา ย, ยมมนนะก็ไม่ใช่ธรรมดาตับเกือบหมดแล้ววะงั้น พอต่อมาอาจารย์ก็อยู่ไม่ได้นานจริงประมาณไม่ถึงเดือนมั้งละเดือนนึงแหละท่านก็ได้มรณะไปพอมรณเภาพพอมรณะลงไปทางอาจารย์เล็กที่เป็นพันยาของอาจารย์เจริญก็เป็นครูเหมือนกันนะเป็นอาจารย์เหมือนกันบอกก็เลยมอบรถให้หลวงพ่อเมื่อวันที่9วันที่เกมกราที่ผ่านมาที่สวนแสงธรรมพอหลวงพ่อไปสวนทางแสงธรรมวันที่8ไปงานของ หลวงปู่วิระยังที่ว่าพลังจิตตานุภาพนั่นแหละที่วัดทำมงคลซอยร้อสุขุมวิทหลวงพ่อได้ไปแสดงธรรมที่นั่นพอตอนเช้ามาก็อาจารย์เล็กก็เลยถวายมอบรถให้บอกสุดแท้แต่ท่านอาจารย์จะเอาไปใช้ที่ไหนไปใช้ที่วัดก็ได้จะไปใช้ให้วัดอื่นก็ได้เพื่จะให้ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะเกิดประโยชน์ ฉันขอถวายท่านอาจารย์มอบไปท่านอาจารย์ไปเลยหลวงพ่อก็ได้รับรถมาแล้วกลับมาถึงวัดหลวงเออมาคิดถึงคำพูดของอโยมตูเทียมเออน่าจะเอาให้วัดป่าน่าจะเอาให้วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนหน้ารถคันนี้พอเป็นรถของอาจารย์เจริญและเป็นคนวัดคนวัยต่างหากหลวงพ่อก็ได้โทรศัพท์ไปหานั่นะ หาเสียต้อมให้ติดต่อไปทั้งอาจารย์อาจารย์เล็กเนะจ้าขอบเจ้าของถ้าอาจารย์จะมอบรถยักษ์คันนี้ให้วิทยุเสียงธรรมนี่อาจารย์จะว่าจะไงท่านกะ็บอกอนุโมทนาสุดแท้แต่เพราะได้ถวายหลวงพ่อไปแล้วสุดแท้แต่หลวงพ่อเห็นสมควรณัตนะสถานที่ใดหลวงพ่ออืออเอาใจงา น, นก็คงจะมอบให้กับสถานีวิทยุเสียงธรรมนี่แหละแต่ก็มาติดขัดตรงที่ว่า พออาจารย์เจริญพึ่งมรณะไปผู้จัดการมรดกก็คืออาจารย์เล็กเพะนั้นรถคันนี้ถ้าจะว่าสมบูรณ์ไหมก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไรเพราะยังโอนยังไม่ได้จนกว่าจะมรดกผู้จัดการมรดกตกทอดมาก็ได้ยินเสียโยมต้อมเสียต้อมเมื่วานหรือจะโทรมาหาทาง อ, อาจารย์จักรพงษ์นะ เรื่องราวจะประสานมาทางอาจารย์จกกักรพงษ์ชัยพันธ์ได้จะโอนรถคันนี้ขึ้นมาเมื่อสมบูรณ์แล้วประมาณสักสองือ3สเดือนนะเพาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังนะการที่จะมอบรถคันนี้ให้สถานิวิทยุบ้านตาดเดี๋ยวจะอ่านให้พวกกนัตถา ญ, ญาจมร่วมฟังเป็นสักีพยานกับเจ้าของเจ้าของรถด้วยนะกับโกาดครับผม วันที่13มกราคม2560เรื่องขอมอบรถยนต์อนเนกประสงค์ยี่ห้อฮอนด้าซอวีเพื่อให้เป็นสมบัติของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านชุมชนชาวบ้านตาดและเทศบาลบ้านตาดสืบเนื่องจากอาจารย์เจริญภูพัทรลพงศ์อาจารย์สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีวิทยาได้มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงตามหาบัวยาสัมปโน ซึ่งภายหลังจา ก, กเกษียณแล้วได้เข้ามาช่วยงานที่สวนแสงธรรมพุทธมนทรสายสามทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และงานอื่นๆตามที่คณะสงฆ์มอบหมายให้บัดนี้อาจารย์เจริญได้ถึงแก่กรรมแล้วอาจารย์เล็กซึ่งเป็นภรรยาของอาจารย์เจริญได้เห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละในห้วงสุดท้ายแห่งชีวิตที่ได้ทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนา หากแม้นตนซึ่งเป็นภรรยาพร้อมด้วยบุตรสาวได้มอบถวายรถยนต์ส่วนตัวของอาจารย์เจริญให้กับครูบาอาจารย์แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุญกุศล น, นี้จะเป็นพลังเกื้อหนุนให้อาจารย์เจริญไปสู่สุขติภูมิได้จึงขอแสดงเจตจำนงที่จะถวายรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อฮอนด a าซีอวีเพื่อถวายหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกได้ใช้ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือตามที่หลวงพ่อเห็นสมควรและเมื่อวันที่9มกราคม2560อาจารย์เลขภรยาของอาจารย์เจริญซึ่งเป็นผู้รับมอบมรดกได้มามอบถวายรถยนต์คันดังกล่าวที่ส่วนเสงธรรมให้กับหลวงพ่ออินถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นหลวงพ่อเห็นว่าทางมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาเป็นมูลนิธิที่เผยแผ่ธรรมะขององค์หลวงตา ยังขาดแคลนพาหนะที่ใช้ในกิจการของมูลนิธิเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของอาจารย์เล็กภรรยาของอาจารย์เจริญหลวงพ่อจึงขอมอบรถยนต์คันนี้ให้กับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านชุมชนชาวบ้านตาดและเทศบาลบ้านตากเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและขอให้มูลนิธิและชุมชนชาวบ้านตาก ได้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมดังเจตนารมของผู้ถวายนี้ด้วยเถินนี่นะความเป็นมาของรถคณะชาติญาติโยมลูกหลานไม่ได้มาแบบมุบหมอบมาแบบเปิดเผยมาแบบชัดเจนนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้เรียนให้คณะชาติญาติโยมลูกหลานได้รับพรรับทราบร่วมกันนะและก็พร้อมกัน วันนี้หลวงพ่อก็คงจะไปพักอยู่ที่วัดรวมธรรมในคืนนี้และก็พรุ่งนี้เช้าก็คงจะฉันยางหันเสร็จแล้วคงจะไปงานของท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดจังคนครที่ท่านจะพระราชทานเพลิงวันพรุ่งนี้นะและก็วันมะรืนนี้หลวงพ่อจะได้ไปที่อำเภอหนองหานโรงพยาบาลอำเภอหนองหานเขาจะจัดเป็นผ้า ป, ป่า แล้วก็หลวงพ่อคงจะร่วมหาทุนให้กับโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ทางกับโรงพยาบาลอำเภอหนองหาอนั่นหละวันที่สิบห้าเนี่ยหลวงพ่อจึงจะกับวัดในลูกลูกลานในทะเลทรายถลนถลกไปเรื่อยนะจะว่าอย่างไงล่ะหลวงพ่อเป็นพระสาตรณะนะแล้วก็เมื่อไม่เมื่อไม่นานมาเน้นอ่ะพออเนี่ยโรงโรงเรียนปถม โรงเรียนบ้านตาดบอกว่าเข้าไปหาหลวงพอ่อโอ้ตั้งแต่หลวงตาจากไปโรงเรียนของเราก็เศร้าหมองป้ายก็ยังไม่ทันไม่ทันสมัยเหมือนโรงเรียนอื่นเขาไงแล้ว เ, เข้าไปหาหลวงพ่อก็เนี่ยแหละหลวงพอ่ออืมอันนี้คือบ้านพอ่อคือบ้านพอ่อคือบ้านหลวงตาใช่ไหมล่ะพงพ่อมาอยู่ที่นี่นะเนี่ยมาอยู่ที่บ้านตาดเป็นเวลาถึงสิบเกือบเข้า14ปีนะเนี่ยแล้วก็ได้กินข้าวกิน อะไรจากพี่น้องศรัทธาญาติโยมตักบาตรทำบุญตักบาตรแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะจากองค์หลวงตาหลวงตาก็เป็นคนบ้านตาลลูกหลานก็นเลี้ยงดูปู่เสือหลวงพ่ อ, อย่างดีหลวงพ่อเนี่นะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าบ้านตาในเมื่อเข้าไปหาหลวงพ่อพ่อก็เออเอาหลวงพ่อจะใช้เท่าไหร่ทั้งทั้งหมดประมาณล้านหกแสนกว่านะนะเนาะพอเนาะหลวงพ่อก็เลยเออ หลวงพ่อให้ก่อนห0แส0เพราะว่าเพื่อจะได้ทาสงทาสีทาอะไรที่มันชรุดชุดชมและก็อีก เ, อเมื่อประทายเข้าเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนให้กับโรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดแต่หลวงพ่อก็บอกว่ า, อ, าองค์ไหนครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดให้พวกเราไปหาทุกองคนะ์นอะ ตั้งแต่หลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีหลวงพ่อวันชัยท่านบุญมีหลงพ่อจุธรรมหลวงปู่เหลิมหมดนั้นมันเป็นมดตัวกันเดียนเข็ญลอยก่อนหมดนั่นนะเอไปทุกองเลยอถ้าท่านละลึกถึงบุญคุณของพี่น้องชาวบ้านตาท่านอยู่ท่านคงจะให้เหมือนหลวงพ่อนี่แหละว่ะเหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อละลึกถึงบุญคุณของพี่น้องชาวบ้านตาได้อหลวงพ่อก็ได้มอบให้น ه, เพียงเงินล้านห้าเนี่ยจิ๊บจ้อยมากนะถ้าเป็นลูกศิษย์องค์ลงตาแล้วนะลงพ่อก็ว่ายอย่างงั้นแหละนะเพราะฉนั้นให้ฟังฟังไวนะ้นอะกูบายจานจัตไทา ญ, ญาติโยมลูกหลานเข้าไปหากูบายจานพวกเราเนี่แหละลงตาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของลวงตาเนี่ยท่านสั่งสอนให้เสียสละเด้ดมีน้ำใจสปอร์ตอางนั้นนะพูดง่ายๆเพราะนั้นเขาไปหาเถอะไม่ผิดหวังลงพ่อว่านะพอลงตาท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาไว้ดีแล้วนะ เรื่องการเสียสละเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมั่นใจในพี่น้องของหลวงพ่อนะและก็พร้อมกันในช่วงนี้ในช่วงนี้หลวงพ่อเองเอก็นี่แหละเรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาบ้านตาถ้าจะว่าไปแล้วก็พี่น้องของเราก็นานาจิตต่างนานาทัศนะหลวงพ่อก็ไม่ว่ากันนะเพราะ น, น, นานาความเห็น ขนาดจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นแท้ๆนะที่สกลนครหลวงปู่มั่นมรณภาพไปเกือบยี่สบสาสปีเอ่ที่วัดป่าสุทธาวาสแต่ขนาดนั้นก็ยังทะเลาะ ก, กันถ้าพวกเราเกิดมาในยุคนั้นนะหลวงพ่อในรู้นะสมัยนั้นนะ่ะหลวงปู่แว่นเป็นเจ้าอาอวาสอยู่ที่วัดสุดทธาวาส เ, เสร็จแล้วก็ดกเตชาวเป็นผู้ออกแบบอาจารย์ไข้สีเป็นคนออกแบบนะ หลวงตาของเราเป็นประธานในการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่วัดป่าสุทธาวาสน ะ, อะพอออกแบบเสร็จแล้วเนี่ขามากลางแบบใส่กันเขาก็จะมาสร้างหลวงปู่แว่นเห็นแบบแล้วโอ้โหมันจะมาสร้างได้ยังไงจะสร้างพิพิธภัณฑ์เหมือนกระโบทฝรั่งมันไม่ใช่โบทไทยทามาทำอย่างนี้เสียหายวัดอโอ้โหเกือบจะไม่ได้สร้างนะ่งดอรชาวทั้งกเงบ ท่านหมอท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์จะห้ามผมผมห้ามผมไม่ได้หรอกพอท่านจะไปห้ามก็ต้องไปหาหลวงตามหาบัวต้องไปหาหลวงปู่ฟัน่นถ้านอาจารย์ไปหาท่านผมก็ไม่ว่าอะไรผมเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยแล้วก็ท่านอาจารย์ไปปรึกถามท่านละหลวงปู่แว่นก็กลัวหลวงตามหาบัวแบบนี้ไม่กล้ามา น, มนีมันแมกกวกลัวหนูเลยสิเนี่พราะในส่วนเกิดอะไสร้างขึ้นมาเพราะสร้างขึ้นมาแล้วเป็นยังไง พวกเราทุกวันเหนือเราก็ไปกราบไปไหว้ก็เป็นสิริเป็นมงคลอย่างนั้นนะนั่นแหละมันไม่ใช่ธรรมดาเลยลูกหลานที่จะสร้างอะไรขึ้นไปเนี่ยทะเลาะ ก, กันหยดพอแรงเหมือนกันเจดีหลวงปู่ฟั่นก็เหมือนกันถึงหกปียังได้สร้างเพราะให้ไรเพราะลูกศิษย์ไม่ลงกันเน่ยลงไม่ลงรอยกันจนจนได้มาหาหลวงตามาหาบวกหลวงพ่อก็ตั้งอยู่ในศาลาเนี่ยผู้ว่าสายศิษย์พอดแก่ก็หลวงปู่แปลงเน่ยเข้ามาหาหลวงตา มาโอ้ท่านอาจารย์หมดหวังแล้ถ้าท่านอาจารย์ไม่เป็นประธานเนะี่ยเจดีหลวงปู่ฟันไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้แน่ๆหลวงตามหาอวยหลวงพ่อก็ได้ยินอยู่นะล้วจะให้เราไปเป็นประธานไม่ได้หรอกมีแต่เขี้ยวยาวๆเล็บยาวๆทั้งนั้นนะ่ะอะมันจะขมําเราหลวงตาว่านะเอ้เมื่อวเป็นยังครับท่านผู้ ว, ว่าสายสิทธ์พวกผมมจะปกป้องหลวงตาเองขอหลวงตาเป็นประธานเออนะเดี่ยเราจะปรึกษา ศรัทธาญาติโยมก่อนนะเรายังไม่รับนีจากนั้นถ้าก็ไปปรึกษาองค์ขมันตรีดรุกเตอร์าวรุกเตอร์เฉก็อื่นถูกแท้แต่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะรับผมก็ยินดีจะเป็นบริหารทางฝ่ายฆราวาสให้หลวงตาจึงได้รับนี่แหละการสร้างเจดีแต่ทีนี้มาองค์ขององคหลวงตาของเราก็อาตมาเองก็ได้เห็นได้ผ่านการผ่านเวลามาผ่านเจดีมันหลายๆแห่งนะ เพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่แปลกใจในการในนาจิตนานาจิตต่างนานาทัศนะในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็คงจะเป็นสิริเป็นมงคลของหมู่บ้านตากของเราเนี่แหละหลวงพ่อวานะไม่ไปอื่นไกลเอทางว่าพวกเราไม่สร้างเจดี JD ขึ้นมาพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาอย่างในในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้านะ่เมื่อพระพุทธเจา้าปรินิพานไปแล้วนะพระพุทธเจา้าท่านก็ไม่ได้สั่งนะไว้นะบอกว่า พวกท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตปรินิพานไปแล้วให้สร้างเจดีย์ใหญ่ๆนะให้สร้างจุดๆนั้นจุดนี้นะท่านก็ไม่ได้สั่งไม่ได้เสียแต่นี่เมื่อเมื่อพระองค์ไปปรินิพานอยู่ที่เมืองกุศินาราเออก่อนที่จะปรินิพานตอนหัวค่ําตอนรึกนะ่ยพระอนุนก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยสลีละสังขารของพระองค์น่ย จะปฏิบัติอย่างไรหนอพระเจ้าค่ะในการจะจัดการกับเกี่ยวกับสรีระของพระ อ, องค์ดูก่อนอาน o ์สรีระของเราตถาคตไม่ใช่หน้าที่ของพวกเธอให้พวกเธอทั้งหลายให้ตั้งใจภาวนาหน้าที่สรีระของเราเป็นหน้าที่ของกษัตริย์เออมันลกักษย์พวกกษัตริย์เขาจะจัดการเองพวกเธอไม่ใช่หน้าที่จะดูแลรักษาสิริระสังขารของเราพา non ก็ จุดนิ่งแล้วก็กราบทูลขึ้นว่าจริงอยู่พระเจ้าค่าที่ว่าไม่หไม่เป็นหน้าที่ของมันลักษัตริย์แต่เมื่อพระองค์ละขันไปแล้วมันลักษัตริย์เขาถามพวกข้าพระองค์ว่าท่านอานน์พระสงฆ์ทั้งหลายจะให้พวกข้าปฏิบัติอย่างไรกับศลีระของพระพุทธองค์ก็ผมจะตอบเขาว่าอย่างไงพระเจ้าข่าเออถ้าเขาถามอย่างนั้นก็ให้ให้เขาจัดการ ตามแนวแถวที่พระเจ้าจักรพรรดินะอพระเจ้าจักรพรรดิทำยังไงก็ให้ปฏิบัติตามนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมล่ะเออพระอานนท์ก็ถามว่าพระเจ้าจักรพรรดิทำอย่างไรหนอพระเจ้าข้านะเนี่ยพระองก็ได้ตรัสนะให้พวกเราไปศึกษาตัวนี้นะหลวงพ่อจะบรรยายเด๋ยวพ่อจะไม่ได้ฉันอาหารเนี่ยเออให้พวกเราไปศึกษาว่าปฏิบัติต่อพระเจ้าจริระของพระเจ้าจักรพรรดินั้นทําอย่างไรเออจากนั้นก็เนี่ยนะ เม uh, ื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยก็ได้นำสริละของพระองค์ไปปฏิสถานณสถานที่ต่างๆและก็พร้อมกันพระพุทธองค์เมื yes, ่อพระเจ้าพญาธรรมโศกราตพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วสามกว่าปีนะพญาธรรมโกราตเอ้ถ้าปล่อยไปมากนานกว่านี้นะคงจะล่อยล้อไปคงจะเลือนลางกงจะจำไม่ได้ เพราะนั้นพญาธรรมโสกราชจึงไปปักหลักเสาอโศกไว้จุดนี้นะคือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าจุดนี้นะเป็นแสดงที่พระพุทธเจ้ า, จาได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจุดนี้นะพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมจักาปกระวัตินสูตรที่เมืองพรารณสีจุดนี้นะเมืองกุศลนาราพระพุทธเจ้าปรินิพานนี่แหละ ยังมีสังเวทนิยสถานสีแห่งคือที่ประสูติคือปที่เกิดพระพุทธเจ้าก็พญาธรรมโศกไปปักเอาไว้ปักหลักเอาไว้ให้คนได้ไปไปรู้นี่ยถิ่นตรงนี้พระพุทธเจ้าประสูติคือเกิดตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ตรงนี้พระพุทธ เ, เ, เ, เจ้าได้แสดงธรรมไม่จักโปรดปัญจวัคคีทั้ง5้าตรงนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานนี่แหละถ้าหาว่าพญาธรรมโสก ไม่ปักเอาไปปักหลักเอาไว้นะพวกลูกหลานทุกวันนี้พวกเราจะไปรู้จักไม่ที่ไหนประเทศอินเดียจะกว้างขวางนี่แหละมีประโยชน์ไหมถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็โอ้ยเพราะพวกที้เจ้าพระนิพพานที่ไหนก็บที่นั้นในโลกนี่แหละเอเอเอกิจะว่าอย่างนั้นก็ใช่แต่ถ้าว่าปักไว้อย่างนั้นก็ดีไหมก็ดีนี่พวกเราจะได้รู้เนี่ยอันนี้แหละคือส่วนหนึ่งนะข้ะาราชกาญาติโยมลูกหลานนี่แหละพวกเราสร้าง เจดีพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเชิดชูบูชาองค์หลวงตาแต่สําหรับหลวงพ่อเองเดี๋ยวนี้ก็อายุ7จ็ดสิามาแล้วจะอยู่ไปอีกนานไปกี่ปีเพราะนั้นเรื่องหน้าเรื่องตาเรื่องลดยศเรื่องอย่างเรื่องเ ส, สรเสริญหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังมีแต่มุ่งหวังเชิดชูบูชาองค์หลวงตาเท่านั้นนะให้ลูกหลานทั้งหลายเข้าใจในจุดนี้นะหลวงพ่อเองเสียสละเพื่อจะให้เจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ย ต ง, งานขึ้นมาที่บ้านตาดแต่เป็นการบรบกวนพระสงฆ์ไหมนี่พระสงฆ์ก็เป็นรั้วกําแพงอยู่แล้ว พ, พระสงฆ์จะภาวนาอยู่ข้างในก็เข้าไปภาวนาได้อันนี้มันออกมาข้างนอกแล้วนะมันห่างอยู่แล้วทางรถก็ผ่านไปผ่านมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วนะไม่น่าจะบรบกวนพระสงฆ์ข้าว่าเป็นสถานที่เพียงว่าให้มันอยู่ใกล้วัดป่าบ้านตาดฉทานั้นเองเพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะอันนี้คือ บ้านตาเนี่ยคื อ, อบ้านองค์หลวงตาไม่ใช่ที่อื่นถ้าไปสร้างที่อื่นก็ไม่ใช่ที่บ้านหลวงตาต่อไปภายภาคหน้าเป็นร้อยเป็นพันปีขึ้นมาไอ้หลวงตาอยู่ที่ไหนลูกหลานเกิดข่าวนั้นก็คงจะสับสนเหมือนกันหลวงพ่ออยากด้พูดอีกว่านี่ละในยุคสมัยนี้นะเนี่ยหลวงตาของเราเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ได้ทั้งค ด, ดีโรคค ด, ดีธรรมค ด, ดีโลกก็คือหาทองคําเข้าคางหลวงให้กับประเทศชาติหาเงินดอลล่าร์เข้าเป็นเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอันนี้คือหลวงตาอันที่สองก็คือแสดงธรรมเทศนาไม่มีองค์ไหนที่จะยิ่งกว่าที่องค์เกิดเลิศไปกว่าหลวงตาและก็พร้อมการทางด้านปฏิบัติจิตภาวนาของท่านก็ท่านในเป็นพระหานท่านยืนยันของท่านนี่แหละสรุปแล้วก็คือองค์หลวงตาของเราเนี่ยสมบูรณ์ ที่หาองค์อื่นเทียบเปรียบเทียบใดอยากไม่มีองค์อื่นที่จะยิ่งกว่าในยุคปัจจุบันเหมือนกันในหลวงหลวงพ่อว่าเดออง ห, หลวงตาก็ควรจะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านเป็นมาอย่างไรในพิพิธภัณฑ์นี้เในหลวงของเราก็ยุคนี้สมัยนี้นี่แหละในหลวงของเราสมบูรณ์ที่สุดเมื่อพระ อ, องค์องราชอยู่ท่านปฏิบัติ ต, ตนอย่างไงต่อพระราชชนนี้ ปฏิบัติตัวยังไงต่อในครอบครัวของพระ อ, องค์ท่านปฏิบัติยังไงต่อพระศกนิกรปฏิบัติยังไงต่อพระพุทธศาสนาปฏิบัติยังไงต่อคนยากจนชนนบทชาวป่าชาวเขาพระ อ, องค์สมบูรณ์หมดนี่แหละหลวงพ่อว่าในหลวงของเราเนี่ยควรสมควรยิ่งที่จะมีพิพิธภัณฑ์ให้พวกลูกหลานได้ศึกษา แม่ผู้เมื่อลูกหลานผู้มีอุปนิสัยใจคอกว้างขวางเมื่อได้เขาไปอ่านเอาไปศึกษาในประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยให้ลูกหลานเป็นคนดีไม่น้อยทีเดียวหลวงพ่อว่าองค์หลวงตาก็เช่นเดียวกันทั้งฝ่ายบ้านเมืองทั้งฝ่ายปริยัติธรรมอย่างสมเด็จพระสังฆราชหลวงพ่อว่าสมเด็จญาณสังวรเนี่ย เป็นพระมหาธีระที่น่าเคารพกราบไหว้ท่านหนึ่งที่เป็นพระสังฆราชเป็นตัวอย่างทั้งฝ่ายปริยัติธรรมนี่แหล ะ, ะเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยทั้งสพระ อ, องค์ท่านนี่นะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสมเด็จพระญาณสังวรทั้งองหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยสมควรยิ่งที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์หรือทําพิพิธภัณฑ์ให้คนได้กราบได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยนี่แหละหลวงพ่อไม่ได้คิดใกล้นะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะคิดไกล นะคิดมองให้ไกลที่เดียวเลย เ, เพื่อให้เป็นตัวอย่างของพี่น้องประชาชนจัตตาญาติโยมลูกหลานนะแล้วก็พร้อมกันมาโค้งสุดท้ายนี่นะหลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดให้ฟังแต่พูดให้ฟังเพื่อให้ลูกหลานได้ทราบขนาดหลวงพ่อนี่ยสงให้กับโรงหลับโรงเรียนโรงพยาบาลนะถ้าหลวงพ่อรวยกว่านี้หลวงพ่อจะให้มากกว่านี้นะแต่หลวงพ่อนี่ยปีนี้น้ําท่วมวัดของหลวงพ่อ น้ำท่วมคอลงพอดลงปากลงพอดลงพอด พ, <c oughs> พูดพดแรงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเะพราะอะไรน้ำท่วมวัดเดี๋ยวนี้กําลังทํากำมะรุมประตุ้มอยู่พระกูบาทั้งหลายน ะ, ะคือทางโยธาทางโยธาและกัชนทางหลวงทางหลวงชนบทแล้วก็กรมชนประทานทั้งสามกรมนะชนประทานทางหลวงชนบท โกธาเนี่ยเข้าไปตารวจแล้วว่าค่าเสียหายประมาณเจ็ดล้านกว่าครับเจ็ดล้านเกือบเจ็ดล้านแปดนะนี่แหละอันนี้กับหลวงพ่อเคยคิดว่าแต่หลวงพ่อทําทําดูแล้วหลวงพ่ออไม่น่าจะเกินสี่ล้านนะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋นี้กําลังทํามาลุงมาตุ้มอยู่สัตยาญาติโยมลูกหลานนะเอ ค, คิดว่าอีกไม่นานคงจะเสร็จเอถึงคงจะเสร็จได้มัง่งพ่อท่าน อ, อาจา ร, รย์หน่อยนะ ล, ลูกบัณฑตาดของเราเนี่ยนะ เลยที่เป็นที่เป็นหัวหน้าให้ท่านไปช่วยให้ท่านช่วยออกแบบให้นะนี่แหละกาลังทำกันอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อได้เรียนได้บอกได้กล่าวแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้หนักใจนะที่เรียนให้ทราบเรื่องเกี่ยวกับวัดหลวงพ่อจนะิบจอยแต่หนักใจกันนี่แหละเรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาของเรานะให้ช่วยกันคิดนะพี่น้องลูกหลานใครอยากได้บุญนะถ้าใครอยากได้บุญ เ, เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะ อในการสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาในคราวนี้ครั้งนี้นะหลวงพ่อมั่นใจถึงขนาดนั้นเพราะเจตนาของหลวงพ่อเจตนาดีเกินร้อยที่จะบูชาพระคุณองหลวงตานะอ่หลวงพ่อว่าบางคนก็กลัวบาปไม่ต้องกลัวหรอกบาปถ้ามันมีบาปส่วนใดหลวงพ่อหลวงพ่ออินจะรับเองของกันเถอะเออเออพวกเราให้ได้บุญของกันเถอะพระหลวงพ่อมั่นใจเมั่นใจถึงขนาดนั้นลูกหลานจึงได้ทุ่มเทลงไป ถ้าหาว่าหลงตาที่ว่าสร้างที่มันจะเป็นบาปทำไมหลงตาจึงไปสร้างเจดีย์ให้ถวายหลวงปู่ฟันทำไมหลงตาจึงไปสร้างพิพิธภพณฑ์พิพิพิพิพินิพิพิพ็พิพิพนพิพิพิพิพิพิพิพิแลพท่านิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิสร้างิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพ ปฏิปทาของหลวงตาเพราะว่าเขตวัดมีอยู่แล้วนะเขตวัดส่วนหนึ่งอันนี้มันอยู่ส่วนนอกออถ้าเข้าไปสร้างนู่นบริการกลางวัดตน้นโะพเนี่ยกลางวัดเนี่ยหลวงพ่อเออทำให้พระสงฆ์วุ่นวายทำให้ไม่ได้รับความสงบจะภาวนาก็ลาบากหลวงพ่อก็จะต้องคิดหนักจุดนั้นนะแต่นี่มันอยู่ข้างนอกหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรมากเพื่ออะไรเพราะว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคล ของวัดของหมู่บ้านของพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นเป็นปูชนียสถานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจพวกใครพวกเรามาก็จะได้มากราบมาไหว้พระเจดีย์ของอกลูกตาเป็นสิริเป็นมงคลนะตอนนี้ไปพระสองฆ์อนุโมทนาให้พรในะที่นี้เนอะขณะที่พระสองฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราเห็นน้อมจิตอุทิศถวายเป็นพระราชฎุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา แล้วก็อุทิศโสนกุศลต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายของพวกเราดวงวิญญาณใดก็ตามพร้อมที่จะมารับโสนบุญโสนกุศลพวกเรายินดีที่อุทิศโสนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณทุกดวงใจนั้นนะ